ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโนเสนอตอนที่20สิบนางเทพพิดาถวายอาหารทิพสันเลขธรรมสิบ ป, ประการและใหญ่กั้งอุบาสิกาผู้มีญาณวิเศษ หลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนได้กล่าวถึงโอวาทธรรมของท่านพระจารย์มั่นเอาไว้ว่าเวลาท่านพระจารย์มั่นให้โอวาทท่านเตือนเสมอว่าอย่าได้นอนใจการศึกษาอัตธรรมทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําคัญที่ผู้จะให้การอบรมศึกษาถูกต้องแม่นยําหรือไม่เราก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนการศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริญัต ต้องเอาของจริงมาพูดกันเมื่อพูดสมาธิจิตของผู้เทศผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสมาธิมาแล้วพูดถึงเรื่องปัญญาผู้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้นําหมู่เพื่อนก็เป็นปัญญามาแล้วทุกขั้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นผู้แนะนําสั่งสอนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเสียทุกขั้นทุกภูมิแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยจะเอาอะไรมาผิด พูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้นจิงพปที่ตายใจสำหรับผู้มาอบรมศึกษานี่ผมก็แจแล้วท่านทั้ ง, ง, งหลายมาศึกษาก็เอาให้จริงให้จังนะการแนะนำสั่งสอนหรือแจ้ไขดัดแปลงทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นของยากมากถ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆจะสอนกันไม่ได้ผู้ที่จะสอนสมถะวิปัสสนาต้องเป็นผู้เข้าใจ สมถวิปัสนามาเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนปริยัติท่านย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้นลหละนี้คือโอวาทธรรมของหลวงปู่มั่นผูริทัตโตหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เ, เล่าชีวประวัติของท่านในขณะออกเที่ยวทุดงอยู่ในป่าลึกเอาไว้ว่าคราวหนึ่ง เราเที่ยวทุดงไปในป่าลึกอยู่เพียงรูปเดียวเร่งความเพียรภาวนาอดอาหารเป็นเวลาหลายวันร่างกายสูบซีดผอมเหลืองเรียวแรงหดหายเหลือแต่ใจอันดวงเด่นเท่า น, นั้นมีพลังมหาศาลอยู่ข้างในแต่พลังกายข้างนอกก็เหนื่อยล้าเต็มทีแต่ทางด้านจิตใจข้างในหมุนเป็นอัดเป็นทรรมเป็นธรรมจักตลอดวันตลอดคืนขณะที่เราเดินจงกรมอยู่นั้น มีนางเทบพธิดาตนหนึ่งมานั่งกราบไหว้แสดงคาระวะธรรมเฝ้าอยู่โดยตลอดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนางได้บอกกับเราว่านางเคยเป็นแม่ของเราในอดีตชาติเกี่ยวข้องกันมานานบัดนี้ได้มาเจอกันดีใจเป็นอย่างยิ่งเห็นเราสู้ผอมซีดเซียวก็ อ, อยากมาถวายอาหารอันเป็นทิพย์ขอให้เราเห็นแก่ความที่เคยเป็นแม่เป็นลูกโปรดเมตตา รับพัตาหารทิพด้วยเถิดเราจึงได้บอกกับเขาว่าเวลานี้เป็นเวลาวิการละโทษพระรับพัตาหารไม่ได้พระคุณเจ้าอาหารนี้ไม่มีสีไม่มีรสเป็นอาหารวิเศษไม่ต้องกินด้วยปากเพียงไหลไปตามร่างกายการไหลนั้นก็ไม่ต้องถูกเนื้อต้องตัวก็ถือว่าได้ดื่มดั่มรสของทิพแล้วนางเทพธิดากล่าวสาธยาย แม้ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธิจ้าทรงตรัสว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมคือการกระทําแม้เป็นอาหารทิพย์ก็ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยถึงไม่มีใครเห็นเราก็รู้อยู่แ จ, จ่ใจใจนี่แหละเป็นตัวพาสร้างเวรสร้างกรรมไม่ใช่อวัยวะอื่นใดเมื่อเราพูดจบลงจึงเดินจงกรมต่อไปท่ามกลางความเงียบในไพรสนนางเทพธิดาก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมหายหน้าไปไหนเพ่งมองเราด้วยความห่วงใยญ่และภูนใจที่มีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์แล้วนางจึงกล่าวต่อไปอีกว่าพระคุณเจ้าพรุ่งนี้เช้าฉันจะนําอาหารทิพย์มาถวายใหม่พอรุ่งสางเช้าวันใหม่นางเทพธิดาได้มานั่งอยู่หน้ากุฏิหลังน้อยหมุนด้วยย่ากิริยานางช่าำช้อยงดงาม พระสตรีใดในโลกเหมือนหรือเพียงเทียบก็ไม่มีสตรีที่ว่าสวยที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับนางแล้วก็เหมือนลิงข้างเพียงตัวหนึ่งเท่านั้นน่าขำจริงๆโลกมนุษย์เอ๋ยเมื่อเราเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับนางขึ้นว่าเทพธิดาการที่เธอมานั่งอยู่หน้ากุติของเราเพียงลําพังตั้งแต่เช้าเช่นนี้ใครมาเห็นเข้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอาได้ว่าพระอยู่กับผู้หญิงสองต่อสอง ข้อขาหารินคาต่างๆอาจเกิดขึ้นได้นางจึงตอบว่าท่านท่านไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องเหล่านี้เลยไม่มีใครจะสามารถเห็นฉันได้นอกจากท่านเท่านั้นนี่เป็นเทพเมรมิตเพื่อมาถวายอาหารทริพย์แก่ท่านได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเราจรึงบอกกำบนางว่าถวายก็ถวายมาสินางให้เรานั่งนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งการถวายอาหารทริพย์ก็เป็นอันจบลง ร่างกายของเราพลันกระปรี้กระเป่าเหมือนปลาขาดน้ำแล้วพลันได้น้ำเหมือนคนหิวกระหายมานานวันพลันมาเจอบอ่อน้ำอันใสสะอาดร่างกายสดชื่นผิวพันที่ซีดเซียวกลับผุดพองหายเมื่อยหายหิวปฏิบัติสมาธิภาวนาต่อไปไดอีกหลายวันโดยไม่ต้องมีอาหารตกท้องอยู่เย็นสบายคลายความทุกข์กังวลเรื่องการอยู่การกิน หลวงตามหาบวญยาสัมปันโนได้เล่าถึงวิธีปฏิบัติและหลักธรรมซึ่งเป็นสันเลขธรรมสิบประการเอาไว้ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านถือหลักสันเลขธรรมเป็นเครื่องดำเนินขัดเกลาซักฟอกกิเลสอภิชตาใครจะไปมากน้อยยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราคิดดูตั้งแต่หนุ่มน้อยจนกระทั่งแก่เท่า ท่านมีสมบัติอะไรติดเนื้อติดองค์ท่านไม่ปรากฏเลยไปที่ไหนท่านไปอย่างง่ายดายมีเฉพาะบริคารแปดเท่านั้นไม่มีคำว่าพรุงผารังมีสมบัตินั้นสมบัตินี้ไม่ปรากฏมีเท่าไรก็แจกจ่ายไปหมดไปหมดที่อยู่ก็เป็นกระต๊อบกระแทบอยู่อย่างนั้นไม่หรูหราอย่างกุฏิที่ท่านพักอยู่บ้านหนองผือนาในนี้ก็ว่ากุฏิพอประมาณเรื่องที่ว่าอยู่ในที่วิเวกหรือ วิเวกตาอสังสัทธนิกานี้ก็ไม่เคยปรากฏว่าใครไปยุ่งท่านได้แม้แต่ประชาชน ญ, ญาติโยมไปหาชั่วการชั่วเวลานี้ท่านยังไม่อยากจะต้อนรับด้วยซ้ำกับพระกับเ น, นเหล่านี้เหมือนกันให้ไปภาวนามีแต่ไล่ให้ไปภาวน า, า, วนาอย่ามายุ่งกันในเวลาไม่ควรยุ่งเพราะฉะนั้นเวลาพระเนรขึ้นไปหาองค์ท่านจึงไปเพียงไม่กี่องค์ในเวลาหนึ่งหนึ่ง ซึ่งควรจะขึ้นไปหาท่านนี้ก็เรียกว่าอาสังสักนิกาวิเวกตามีแต่ความสงัดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยววิริยารำพาการแนะนําสัง่งสอนเพื่อความภาคความเพียร น, นี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ได้พูดเรื่องอื่นนอกจากความเพียรองค์ท่านเองถึงเวลาท่านก็ลงเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาตามกามหนดกฎเกณฑ์ ตามเว ล, เวลาไม่เคลื่อนคลาดเลยศรษสมาธิปัญญาวีมุตถุดพ้นใครเป็นผู้ส่งไว้ก็ท่านทั้งนั้นเป็นผู้ส่งไว้นี้รวมแล้วก็เป็นสันเลขธรรมสิประการเป็นแนวทางที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วดังที่ท่านกล่าวว่าสมาธิปัญญาก็เป็นแต่ละข้อแต่ละข้อของสันเเลธรรมแล้วก็วีมุตและวีมุตติยานัศนะก็เป็นสิสุดยอดแห่งธรรมแล้ว หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงอุบาสิกาผู้มีญาณวิเศษในขณะที่ท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือนานัยเอาไว้อย่างน่าฟังว่าในหมู่บ้านหนองผือซึ่งมีบ้านเจสิบหลังคาเรือนนั้นมีอุบาสิกาแจ่นุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งที่สำคัญมากชื่อยายกั้งอายุราว8ปสิบปีเป็นนักภาวนาที่ท่านพระจารย์มั่นเมตตาแย่เป็นกรณีพิเศษ จะพยายามตะเกียกตะกายออกไปศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นเสมอจะใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องประยุก์ออกไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึงสาถึงสี่ครั้งทั้งเหนื่อยทั้งหอบหน้าสงสารอย่างมากมายบางทีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ทำท่าดูเอาบ้างว่าโยมโยมจะออกมาทำไมมันเหนื่อยไม่รู้หรือแม้แต่เด็กเขายังรู้จักเหนื่อยแต่โยมแย่จนแนี้ จนอายุ 80-90 ปีแล้วทำไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้ามาให้ลำบากทำไมแกเรียนตอบท่านอย่างอาถานตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาของแจว่าก็มันอยากมามันก็มาสิจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นก็ถามเกี่ยวกับกิตพภาวนาและอธิบายทำให้ปังนอกจากแกพภาวนาดีมีหลักเจนทางจิตแล้วแกยังมีพระจิตวิชาคือสามารถ รู้พื้นเพดีชั่วแห่งกิดของคนอื่นอีกด้วยและมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกแปลภายนอกด้วยเวลาแจมารับการอบรมกับท่านพระจาร ย, ย์มั่นแย่เล่าความรู้แปลกๆถวายท่านด้วยความอาถารมากทำทั้งกบขันทั้งหัวเราะทั้งเมตตาว่ายยแก่นี้อาถรรพ์จริงไม่กลัวใครแม้พระเนร น, นั่งฟังอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อยแย่พูดของแย่อย่างสบายไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไร ที่น่าฟังมากก็ตอนที่แจทายใจท่านอย่างอาถรรพ์มากไม่กลัวท่านจะดุจะว่าอะไรบ้างเลยแต่ทายจิตของท่านพระจารย์มั่นว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้วฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้วจิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือที่อื่นๆจิตหลวงพ่อประเสริฐเดิ่นโลกแล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไรอีกฉันดูจิตหลวงพ่อสว่างสวัยครอบโลกไปหมดแล้วอะไรจะมาผ่าน หลวงพ่อก็ทราบหมดไม่มีอะไรปิดบงังจิตหลวงพ่อได้เลยแต่จิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อจึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงพ่อบ้างดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นตอบแจะทั้งหัวเราะว่าภาวนาไะจนตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่สิทธิของพระสถาคตเจ้าดังนี้ซึ่งเป็นอุบายสังสอนไปในตัว พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกับยายกั้งสนทนากันเท่าที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าหน้าฟังอย่างเพลินใจเพราะเป็นปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนา้วนๆเกี่ยวกับอ ร, ริยสัจทางภายในบ้างเกี่ยวกับพวกเทพพรหมภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกเมื่อยายแก่กั้งเล่าลวถวายจบลงถ้าท่านพระอาจารย์มั่นเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกําลังใจในการพิจารณาธรรมส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้น ถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วยก็อธิบายวิธีแก้ไขและสั่งสอนให้ละวิธีนั้นไม่ให้ทำต่อไปใหญ่กัง้งมาเล่าถวายถึงการล่วงรู้จิตของท่านและพระเนรในวัด ร, รู้สึกน่าฟังมากพระเนนทั้งแสดงอาการหวัดหวาดบ้างแสดงอาการอยากฟังแก่เล่าบ้างแก่เล่า ว, ว่านับแต่จิตท่านพระจารย์ลงมาถึงพระถึงเนนความสว่างสวยัยลดหลั่นกันลงมาเป็นลาดับลาดา เหมือนดาวใหญ่กับมูดาวดวงเล็กๆที่อยู่ด้วยกันฉะนั้นรู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมากที่มองดูจิตพระเนนมีความสว่างสวยและสง่าผ่าเผยไม่เป็นจิตที่อับเฉาเฝ้าทุกขที่กลุ้มรุมดวงใจแม้เป็นจิตพระหนุ่มและสามเณร น, น้อยๆก็ยังน่าปีติยินดีและน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ที่อุตส่าห์พยายามชาระขัดเกลาได้ตามฐานะของตนของตนบางครั้ง แตมาเล่าถวายท่านพระจารย์มั่นเรื่องที่แก้ขึ้นไปพรหมโลกว่าเห็นแต่พระจํานวนมากมายในพรหมโลกไม่เห็นมีคารวาสสลับสับปนกันอยู่บ้างเลยทําไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านพระจารย์มั่นท่านได้ตอบด้วยความเมตตาว่าเพราะที่พรหมโลกโดยมากมีแต่พระที่ท่านบําเพ็ญกิจสำเร็จธรรมขั้นอนาคามีผลแล้วส่วนคารวาสมีจํานวนน้อยมากที่บําเพ็ญตนจนได้สําเร็จธรรมขั้นอนาคามีผล แล้วไปเกิดและอยู่ในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่เห็นคารวาสสลับสับปนอยู่เลยอีกประการหนึ่งถ้าโยมสงสยัยทำไมจึงไม่ถามท่านบ้างเสียเวลาขึ้นไปถึงแล้วมาถามอัตมาตทำไมแก้หัวเราะแล้วเรียนท่านว่าลืมเรียนถามพระท่านเวลาลงมาแล้วจึงระลึกได้ก็มาเรียนถามท่านต่อไปถ้าไม่ลืมเวลาขึ้นไปอีกจึงจะเรียนถามพระท่าน แล้วแจจึงเรียนถามท่านต่อไปอีกว่าเมื่อคืนนี้ใครกันมองตรงไหนก็มีแต่หน้าเต็มไปหมดท่านก็ตอบด้วยความเมตตาอีกว่าอ๋อนั่นมันเท้ามหาพรหมเขามานมั ส, สการเราท่านพระอาจารย์มั่นภูริชตะเทระได้ตอบปัญหายายกั้งมีความหมายเป็นสองในในยัหนึ่งตอบตามความเป็นจริงในยัที่สองตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยของยายกั้งที่ถาม ต่อมาท่านก็ห้ามไม่ให้ใจออกมารู้สิ่งภายนอกมากไปเสียเวลาพิจารณาทำภายในซึ่งเป็นทางมากผลโดยตรงหญ่ยยกัง้งก็ปฏิบัติตามองท่านสอนองท่านก็ชมเชยยายกัง้งให้พระทั้งหลายฟังเหมือนกันว่าหญ่ยยกัง้งจะมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงที่น่าอนุโมทนาพวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนยายกัง้งคงเป็นด้วยเหตุผลนี้กระมัง ที่ทำให้ท่านพระจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดหนองผือนานกว่าที่อื่นๆคือวัดหนองผือเป็นศูนย์กลางของคณะปฏิบัติทั้งหลายทั้งที่เที่ยวอยู่ในที่ต่างๆแถบนั้นทั้งที่พักอยู่ตามสำนักต่างๆที่ไปมาหาสู่ท่านได้อย่างสะดวกสบายทั้งทำเลบำเพ็ญสมณธรรมก็มีมากหาเลือกได้ามชอบใจเพราะมีทั้งป่าธรรมดามีทั้งภูเขามีทั้งถ้าซึ่งเหมาะใจผู้สแสวงหาที่บาเพ็ญอยู่มาก พ่อแม่ครูจรย์มั่นพักอยู่วัดน้องผือห้าพันสาเฉพาะองค์ท่านเองพักอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยววิเวกทางไหนเหมือนเมื่อก่อนเพราะอายุท่านราวเก็ดสิบหปีเข้าไปแล้วสุขภาพก็นับวันทรุดลงเพียงพักอยู่เป็นร่มเงาของบรรดาสิทธิ์ที่กำลังแสวงหาธรรมได้อาศัยความร่มเย็นก็เป็นที่ภูมิใจแล้วท่านพระจั์มั่นพักอยู่ที่นี่เหตุการณ์ต่าง เกี่ยวกับพูดผีเทวดาไม่ค่อยมีมากมีมหาท่านก็เป็นบางสมัยไม่ค่อยมีบ่อยนักเหมือนท่านพักอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่แต่ท่านทําประโยชน์แจ่พระเนนประชาชนได้มากกว่าที่อื่นๆในเขตจังหวัดสกลนครที่วัดน้องผือโดยมากเป็นป่าดงพงลึกให้ป่าชุกชุมมากพระเนนประกาศเยี่ยมท่านท่านต้องสั่งให้รีบออกถ้าจวนเข้าหน้าฝนท่นานน่าแรงก็อยู่ได้นานหน่อยผู้ป่วย ต้องใช้ความอดทนเพราะยากแก้ไม่มีใช้กันเลยในวัดนั้นเนื่องจากหายากมากไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี